พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งสี่ลำดับที่ยี่บสองโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่หนึ่งธันวาคม2559้าห้ามีชื่อเรื่องว่าใบไม้ประดูในก ร, ร ม, มือวันนี้หลวงพ่อจะได้กล่าวเรื่องเรา ที่พวกเราควรจะได้รับผู้รับทราบร่วมกันเรื่องแนววิธีการทำสมาธิแล้วก็จะได้พานั่งสมาธิสักช่วงระยะหนึ่งจากนั้นก่อนที่จะนั่งสมาธิหลวงพ่อจะได้กล่าวเรื่องเราสิ่งที่ควรจะรับผู้รับทราบในทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวความคิดปรับประดับสติปัญญา ของพวกเราพวกเราท่านทั้งหลายถึงจะได้เรียนได้ศึกษามาทางอื่นแต่ในหลักของพุทธศาสนาพวกเราไม่ได้เรียนก็พวกเราก็ยังไม่รู้ไม่ทราบไม่ซึ้งในธรรมคาสอนของพุทธะเพราะว่าเราเกิดมาแล้วไม่ใช่ว่าเราจะรู้หมดทุกอย่างไม่ใช่มีแต่พระพุทธเจ้าท่านท่านเองท่านประกาศว่า ค่าเราเราถาคตชายาภูรู้แจ้งโลกเรารู้หมดทุกอย่างเพียงจะเราจะนําสิ่งไหนมาสอนมาแนะนําบอกกล่าวเท่านั้นเองถ้าสิ่งไหนที่มันไม่เปิดประโยชน์ถึงเราจะรู้ เ, เราก็ไม่นํามาสอนเพราะว่ามันจะเป็นโทษอีกต่างหากนับถาวาไม่เป็นคุณแล้วไม่เป็นประโยชน์แล้วยังจะเป็นโทษอีก เ, อเราจะถาคตจะไม่นํามาสอนเพราะนั้น เราตถาคตรู้หมดอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านประกาศในพุทธประศัตรทั้งหลายท่านขอประกาศยืนยันว่าสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านเสด็จไปประทรับอยู่ในป่าอยู่ขอบสระในป่าจากนั้นพระ อ, องค์ได้เอามือกวาดใบไม้ประดู่มาประมาณกํามือหนึ่งใบไม้ประดู่ที่มันหล่นลงในพื้นดิน โป่งได้กวาดไม้ใ บ, ใบไม้ประดู่มาได้กำเลงมือหนึ่งพระองค์ได้ตัดถามพระสงฆ์ทั้งหลายว่าดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายใบไม้ประดู่ที่มันหล่นอยู่ในป่าเนี่ยกับใบไม้ประดู่ที่เราตถาคตแหกกำขึ้นมานี่อันไหนมากกว่ากันพระสงฆ์กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าใบไม้ในกำ ม, มือของพระพุทธองค์เนี่ยน้อยนิด ใบไม้ตกลนอยู่ในป่ามากกว่าพระเจ้าข่านี่แหละสงฆ์ทั้งหลายที่ตถาคตรู้เรื่องของโลกวิชาในโลกนี่เหมือนกับใบไม้ประดู่มันหล่นอยู่ในกลืนในแผ่นดินแต่เราไม่ได้นำมาสอนที่เรานำมาสอนมาบอกมากล่าวให้กับพวกเธอท่านทั้งหลายฟังเนี่ เท่ากับใบไม้อยู่ในก ร, ร ม, มือเท่านั้นเองที่เรานำมาสอนแต่เรารู้ว่าความรู้ของเรานั้นเหมือนกับใบไม้ประดู่ที่มันหล่นเกลื่อนอยู่ในแผ่นดินแต่นำมาสอนแล้วไปเกิดประโยชน์ได้ยังกลับเป็นโทษอีกต่างหากเพรา ะ, ะนั้นเราจึงไม่ได้นำมาแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวพวกเธอแต่ถึงใบไม้อยู่ในก ร, ร ม, มือของเธอ ถ้าเราได้ศึกษาดูแล้วพระธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ย8ปด0 0่นสี่พันพระธรรมขันถ้าคิดเป็นหนังสือเป็นเล่มออกมา เ, เกือบร้อยเล่มก็มีเกสิบเล่มก็มีกรมการศาสนาเที่ยว อ, ออกมาพิมพ์เผยแผ่เป็นสี่ห้าเล่มมีแต่เล่มหนาใหญ่ๆทั้งนั้น อ, อันนั้นคือพระธรรมความสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้น มีแต่พระพุทธองค์องเดียวเท่านั้นะประกาศว่าเราได้ตัดรู้พานุทรสัมมาสัมโพธิญาณรู้แจงโลกรู้หมดทุกวิชาแต่นอกนั้นก็ไม่มีใครที่จะประกาศอย่างนั้นได้รู้วิชาอย่างหนึ่งปัญญาเอกอย่างหนึ่งก็ยังหลายหลายเอกที่ยังไม่รู้โรก็เหมือนกันปรญญาตรีก็เหมือนกันมีหลายหลายขาแขนง วิชาแพทย์วิชาหมอก็เหมือนกันหมอเก่งก็ไม่เก่งหมอหูหมอหูก็ไม่เก่งหมอจมูกหมอทางเดินหมอผิวหนังหมอกระดูกไล่เลียงไปหมดมีตั้งเยอะแยะไปหมดเก่งเฉพาะทางเท่านั้นเองแต่เพียงแต่หมอเท่านี้ก็ยังไม่เก่งแล้วแต่วิชาทำอาหารอาหารไทยอาหารญี่ปุน่นขนาดอาหารไทยก็ยังทำไม่ได้ทุกอย่าง อาหารต่างชาติก็มีมากมายอีกเพียงวิชาทำอาหารก็ยังไม่จบและวิชาอย่างอื่นละ่ะเพราะนั้นหลวงพ่อจึงพูดว่าพวกเราเกิดมาในโลกนี้ไม่ใช่ว่าจะรู้หมดทุกอย่างรู้เท่าที่รู้เท่านั้นเองอย่างหลวงพ่อก็เหมือนกันที่ได้กล่าวนาคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์กล่าวทำคาสอนของพระพุทธเจ้า มาแนะนําบอกกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังหลวงพ่อก็รู้เพียงบางประเด็นไม่ใช่ว่าจะรู้ตื่นลึกนะ้ำบางละเอียดถีท้วนทั้งหมดไม่ใช่หลวงพ่อขอออกตัวไว้ก่อนเพราะหลวงพ่อถึงจะมาชีวิตทั้งชีวิตได้ฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นระยะยาวนานทีเดียวแต่ก็ยังเรียนไม่จบรู้เป็นบางเรื่อง เท่านั้นเองที่จะมาแนะนำบอกกล่าวกับคณะสัตยา ญ, ญาิโจมเนี่ยหลวงพ่อบวชมาตั้งแต่อายุเป็นส ม, มเณีอายุ11เอปีบวชปี 2,500 นเป็นสมณมีเป็นสมณีถึง8ปีจากนักกระดัยอุปสมบทเป็นพระปี08ในพระพุทธศาสนาตั้งแต่ปี08มาถึงปีนี้อ ปี 2,559 ออกพรรษาปีนี้ก็พรรษาพระของหลวงพ่อก็52ปีเป็นอันว่าหลวงพ่อหลวงพ่อใช้ชีวิตที่เป็นนักพรตนักบวชเป็นพระนะ52ปีแล้วก็บวกสัมาเรนเข้าไปอีก2ปี8ปีบวกเป็นบวกสัมาเรณเข้าอีก8ปีบวชเป็นเร8รวมก็แล้ว60ปีพอดี นี่แะอันนี้คือชีวิตนักพรตนักบวชของหลวงพอ่อถึงยังไงก็เถอะหลวงพ่อก็ยังไม่เอทนองอวดตัวว่าข้าพรเจ้ารู้ทั้งหมดหลวงพ่อไม่เคยพูดอย่างนั้น เ, เพราะว่ารู้เท่าที่รู้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกทุกท่านอยูน่นสถานที่ใดไป น, นสถานที่ใดศึกษานําเลือกวิชาขแขนงใดก็ <c oughs> ขแขนงไหนก็ตามรู้เท่าที่รู้เท่านั้น ไม่ใช่จะรู้ทั้งหมดเพราะนั้นสิ่งที่ไม่รู้เราจะมาแนะนําบอกกล่าวไม่ได้แต่ถ้าเรารู้เราก็อพอจะแนะนําได้แต่รู้ก็ไม่ใช่รู้ทีท่วนทุกอย่างอีกรู้เท่าที่พอจะบอกกล่าวแนะนําบอกกล่าวได้ก็มีแต่รู้ละเอียดก็พอสมควรก็มีเพราะฉนั้นวันนี้ก็กีก่วันหนึ่ง ที่หลวงพ่อจะได้มาพูดมากล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายท่านได้ฟังในวันนี้นะและก็วันนี้เป็นวันที่วันนี้เป็นวันที่หนึ่งธันวาความพุทธศักราชสนหรนะแต่เมื่อเช้าในพวกเราก็ได้ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ก็จบลงไปแล้วและก็เย็นวันนี้ หลวงพ่อก็ได้พานำไหวพระสวดมนต์เพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลต่อพวกเราท่านทั้งหลายเพราะว่าพวกเราได้มาร่วมมารวมกันสวดมนต์ที่สถานทูดที่ประเทศปากีสถานที่กรุงอิสลามาบัด เลยท่านมีท่านพระนักเอกอ克拉สทูดชุชชาติเลี้ยงแสงทองแล้วกับคุณนายแล้วกัท่านทูดทหารฝ่ายทหารพันเอกสัจจาลักติปรกรณ์แล้วก็คุณนายอีกอั คุณนายอรุณอรุณพรที่มาร่วมและกัลูกน้องบริวารทุกท่านที่มาร่วมสวดมนต์ในวันนี้ถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลวันหนึ่งที่พวกเราได้มาร่วมกันสวดมนต์ในต่างแดนในต่างประเทศหลวงพ่อก็ไม่ขาดไม่คิดเหมือนกันที่จะได้มา ณนะสถานที่แห่งนี้แต่ได้มาพบมาเจอท่านเ อ, าเอกอกราตถูดแล้วก็เป็นที่อุ่นใจที่ท่านฝ่ายในการบูญการกุศลพร้อมกับคุณนายและขับพร้อมกันได้มาพบมาเจอกันแล้วหลวงพ่อเองก็อยากจะแนะนำบอกกล่าวเรื่องธรรมะธรรมคำสอนที่หลวงพ่อได้เรียนได้ศึกษา อยากครูบาอาจารย์มาก็อยากจะมาบอกกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาเพราะหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี่มีมากอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวพระพุทธองค์ท่านก็ยอมรับว่าสิ่งที่ท่านรู้นะ่ะมีมากเหมือนกับไม้ประดูใบไม้ประดูในป่าดงแต่ที่ทำมาสอนนั้นเพียงใบไม้ประดูในกำมือพระพุทธองค์ก็ยอมรับอยู่แล้ว พอท่านมาถึงยุคของเร า, เายุคของหลวงพอ่อหลวงพ่อก็ปวดมานมนานอีกเหมือนกันอย่างที่ได้เรียนให้ทราบหลวงพ่อเองก็จะแนะนำบอกกล่าวเท่าที่รู้ที่ได้ศึกษามาตามแนวแถวสายปฏิปทาของหลวงปู่มั่นแต่ว่าการแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวเรื่องแนวทางปฏิบัติดกว่ยวสายหลวงปู่มั่นหลวงพ่อเองก็ไม่ได้ยกอยอปอปั้นว่าหลวงปู่มั่น สายลงกปูมันเลิศเลอเฟอร์เฟค ก, กว่าองค์อื่นทั้งหมดไม่ใช่อย่าไปคิดอย่างนั้นอีกเพราะว่าที่หลวงพ่อได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์องค์ไหนหลวงพ่อรู้ว่าท่านแนะนำสั่งสอนอย่างไรหลวงพ่อก็มั่นใจว่าท่านแนะนำสั่งสอนให้ถูกต้องหลวงพ่อจึงเอาทำคำสอนของท่านมาบอกกล่าวต่ออีก แต่องค์อื่นล่ะองค์อื่นก็รู้ก็เหมือนกับพิชาในโลกอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวว่าวิชาในโลกนี่มากมายรู้เท่าที่รู้ไม่ใช่รู้ทั้งหมดนี้ก็เหมือนกันถ้าว่ากูบาอาจารย์องค์อื่นที่ท่านเรียนมาก็เหมือนกับพิชาคนหนึ่งเรียนวิชาทหารคนหนึ่งเรียนวิชาตำรวจคนหนึ่งวิชาปลูกมันจำปัหลังคนหนึ่งปลูกข้าวโพดคนหนึ่งปลูกข้าว คนหนึ่งขายน้ำมันคนหนึ่งขายของเป็ดทะเลมันมีมากมายแต่แต่ละคนน่ะเวลาขายแต่ก็ได้เงินเงินนี่คือผลของงานนี้ก็เหมือนกันสายครูบาจาญองเงินอื่นท่านก็สอนท่านกรร็รู้ท่านชำนาญทางนั้นทํานาญทางวิชาแต่ละวิชาแต่เราไม่ชํานาญทางวิชาที่ท่าน ปฏิบัติมาเราจะไปเอาสอนมั่วไปหมดกฎหมายไปยงั้นกฎหมายไปยนีจะได้ยังไงมันผิดวิชาทหารอย่างนั้นวิชาทหารอย่างนี้วิทาการพูดอย่างวิชาการโทษนเราก็พูดไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะเหตุใเพราะเราไม่รู้แต่แต่ละสายของท่านนี้ก็เหมือนกันกูบาอาจารย์ที่อาตมาภาพจะได้เรียนให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ทราบก็เช่นเดียวกัน บางทีก็เนี่ยกรรมฐานจุบหนาพองหนาะกรรมฐาน เ, าเพ่งดวงแก้วกรรมฐานาทำการเคลื่อนไหวของร่างกายกรรมฐานามโนปมเ่เจติกำหนดดูจิตใจนึกคิดเรื่องอะไรกรรมฐานบริกรรมพุทโธสายลงปู่มั่นมันมีมากแต่ทึงยังไงมันผิดไหมแต่ละเส้นแต่ละสายแต่ละองค์องค์งกร อันนี้หลวงพ่อพูดได้เลยว่าไม่ผิดไม่ผิดเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสได้สอนเอาไว้ว่ากรรมฐานที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้นั้น40สบอย่างอันนี้คือพอประมาณกรรมฐานที่เราให้ไปสี่สิบอย่างนี้พอประมาณยังมากกว่านั้นนะถ้าเราได้ศึกษาในราบรไตรปิฎกแล้วก็ใช่จริงจริงมากกว่า แต่นี่เป็นคล้ายๆว่าเป็นเครื่องยึดเหนียวทางด้านจิตใจเพราะพระเจ้าให้กรรมฐาน40ไว้กับบรรดาสาวกทั้งหลายเพราะนั้นองค์ไหนจะทำยังไงออก็ทำได้แต่ทำให้ใหญ่ผลเป็นมาอย่างไงผลแห่งการปฏิบัตินั้นเป็นอย่างไงจิตใจเข้าสู่ความสงบไหมอันนั้นคือจุดสำคัญคือเหมือนกับเราจะทามาค้าขายอย่างไรก็ได้ไม่ว่ากัน แต่เงินที่ได้มาใครได้มากน้อยกว่ากันนะเราเอาผลเงินที่ได้มาผลรับผลผลแห่งการดาเนินการคือเงินนะใครได้มากกว่ากันไม่ใช่เงินคดขลเงินโกงโกงนะเงินบริสุทธ์นะได้มาด้วยความบริสนะุทธ์นะทำมาค้าขายด้วยความบริสุทธ์นะที่ได้มานะั่นคือผลของงานนี้ก็เหมือนกันการภาวนาจะภาวนาอย่างไรก็ได้ แต่ว่าจิตใจในขณะที่ภาวนาจะตจิตใจใ น, ในปฏิบัตินั้นเป็นอย่างไรอันนี้คือผลแห่งการปฏิบัติเพราะนั้นหลวงพ่อจึงแดกบอกกล่าวแนะนำสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายหลวงพ่อจะแนะนาแนวแถวสายหลวงปู่มั่นเพราหลวงพ่อได้ศึกษาแนวปฏิปทาสายหลวงปู่มั่นให้กับพวกเราได้ฟัง หลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างไรในบรรดาท่านสอนบรรดาศิทธิอนุสิทธิทั้งหลายนี่แหละแต่หลวงพ่อเองอยากจะกล่าวย้าไปถึงพระพุทธเจ้าอีกทีนึงที่เป็นบรมครูของพวกเราเพราะว่าถึงจะเป็นสายไหนก็เถอะที่นำมาประพฤติธปฏิบัตินั้นก็ยึดแนวแถวปฏิปทานแล้ยึดแนวแถวของหลวงพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพ ในวันเดือนหกเพ่นนั้นนะ่ะท่านได้ตัดสู้อะไรในวันนั้นเพราะพระเจ้าหนีออกจากเวียงวังออกไปบวดเสียสละออกจากพระมหากษัตริย์ไปอยู่ตามลำพังไปศึกษาค้นคว้าเรื่องจิตวิญญาณเรื่องใจเรื่องแนวความคิดคนยุคนั้นสมัยนั้นก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันเขา คิดกันว่าตายแล้วสูงแล้วตายแล้วเกิดเ อ, อ่อทำดีไม่ได้ดีทําชั่วไม่ได้ชั่วถ้ามันสูงแล้วจะชั่วได้ยังไงจะดีได้ยังไงออกรรมดีกรรมชั่วไม่มีก็มีบางทงกูเชื่อจนสุดโต่งก็มีออแต่พตระองค์ก็ถ้าเป็นท่านหนึ่งท่านไปเห็นคนแก่พอเห็นคนแก่แล้วเห็นคนเจ็บแล้วก็เห็นคนตายแล้วก็เห็นสมัมมนา ท่านก็น้อมเข้ามาหาตัวอกองท่านเองอีกสักวันหนึ่งข่าจะต้องแก่อีกสักวันหนึ่งต่อไปภายภาคหน้าเขาจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ข่าจะต้องตายถ้าตายแล้วไปไหนอีกแต่นี้พระองค์ก็ไม่มั่นใจไม่มั่นใจจากนั้นท่านไปเห็นสมณะคือนักพรตนักบวชอีก <c oughs> ท่านมองดูแล้วทเออถ้าเรามานั่งคิดตามลําพังเนี่ย ภารธุระของเรามีมากที่เราเป็นคารวะที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินไม่รู้เรื่องอะไรต่อไม่อะไรบริหารจัดการดูแลประเทศชาติบ้านเมืองดูแลพี่น้องประชาชนเราคงไม่มีเวลาที่จะมาคิดเรื่องส่วนตัวที่จะหาทางออกท่านไปเห็นสมมะคือนักพรตนักบวชนั่งขัดสมาธิอยู่ที่โครนต้นไม้ตามลำพัง ท่านบอกถาว่าเรามานั่งเรามานั่งสมาธิอย่างนี้เนะี่ยนั่งอยู่ตามลําพังอย่างนีนะ้เราคงจะมีทางออกคงจะหาทางออกได้จากนั้นพระองค์จึงได้เสียสละออกจากเวียงวังไปอยู่ออกไปเป็นนักพรตนักบวชอยู่ในป่ากลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดอยู่ในป่าเป็นเวลาถึงหปีที่บอมเพ็ญเรื่อง นี่แนหะเรื่องหาทางออกเรื่องจิตวิญญาณจากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้สําเร็จพระ อ, อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคนต้นโพที่ประเทศอินเดียนที่พุทธกายาพระ อ, องค์ทํำยังไงในคืนนั้นพระ อ, องค์ก็บอกว่าในคืนวันนั้นพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินยังมีแสงสว่างอยู่นายโสธิยะได้ น, นํายาคามาผ่านมา ได้มอบยญ้าคาให้เราแปดกำ ม, มือเราได้ลากหญ้าคาไปปูทางทิศตะวันออกของต้นโพในเมื่อเราปูเป็นอาสนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ได้ขึ้นนั่งอาสนะที่เป็นยาคานั้นแปดกำ ม, มือนั้นจากนั้นเราหันพระพักขันทน่าไปทางทิศตะวันออกเมื่อนั่งหันท่าไปทางทิศตะวันออกเรานั่งขัดสมาธิ ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงแล้วดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกจากนั้นพระไทยใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่ง จิตใจเน่งจิตใจไม่คิดถึงอดีตจิตใจไม่ถึงไม่คิดไปถึงอนาคตอดีตคือวันเมื่อวานไม่คิดถึงเมื่อสิ่งที่ผ่านมาไม่คิดถึงอนาคตที่ยังไม่มาถึงใจของเราอยู่ในปัจจุบันในขณะนี้เดี๋ยวนี้อยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้นจากนั้นใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งเกิดความรู้พิเศษขึ้นเกิดญาณทัศนะเกิดฌาน เป็นความรู้ขึ้นมาเรียกว่าปุเพนีิวาสานุสติยานระลึกชาติโผลหลังได้เพราะฉะนั้นในหลักของพุทธศาสนาให้พวกเราเข้าใจเลยว่าหลักของพุทธศาสนาในตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนถ้าพระพุทธเจ้าระลึกชาติผลหลังได้แล้วเนี่ยจะว่าตายแล้วสูญได้ยังไงเพราะมันเป็นเรื่องเจ้าวเยียดมาถึงอดีตจนถึงปัจจุบัน ในรือปุเพนิวาสานุจติยานระลึกชาติทนนหลังได้จากนั้นพระ อ, องค์ก็มองอดีตชาติของพระ อ, องค์ว่าอดีตชาติของเรามาจากไหนดูแล้วยาวเหยียดยการเป็นมาของพระ อ, องค์ไม่รู้กี่พบกี่ไม่รู้กี่ชาติไล่เลี่ยงมาอดีตชาติในว่าชาดกมีมากมายพอถึงเที่ยงคืนพระ อ, องค์ก็มองดูสรรพสัตว์ มองอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยคำว่าสัตว์คำนี้สัรพสัตคำนี้เนี่ยไม่ใช่สัตติระฉานนะในหลักของพระพุทธศาสน า, า, าในบาลีทั้งหมดสรรพสัตวคำนี้นี่ยคือสัตตะไปว่าย่งเป็นผู้ยังข้องอย่งไปไม่ได้ยังติดอย่างคล่องอยู่ในวัฏฏะสงสารในกิเลสราคะโทสะโมหอะอยังไปไม่ได้เแปลว่าเป็นสัตตะตั้งแต่พรหมพรหมก็สัตว์ เทวดาทุกชั้นก็เป็นสัตว์ทั้งหมดเป็นวสัตตะเปรไว่อยังคล่องอยู่เป็นมนุษย์ก็ยังคล่องอยู่สรรพสัตว์ทั้งหลายก็ยังคล่องอยู่ยังไปนิพพานยังไม่ได้อันนี้ว่าสัตตะเป็นผู้ยังคล่องอยู่ท่านมองดูสรรพสัตว์ทั้งหลายกับว่าสรรพสัตว์เนี่ยเออคืออย่างพวกเราท่านทั้งหลายมองดูทุกลูบแบบพอมองดูแล้วอืมทำไมคนเราเกิดมา ทำไมจึงไม่เหมือนกันคนหนึ่งสวยงามคนหนึ่งขี้ไล่ขี้เละคนหนึ่งสติปัญญาคนหนึ่งร่ํำรวยคนหนึ่งบ้าใบาเสียจิตคนหนึ่งพิโกงพิการอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันพระองค์ก็มองดูแต่ละแต่ละคนแต่ละดวงวิญญาณแต่ละคนเรียงลําดับตัวทํำไมคนพิการในอดีตชาติมันเป็นยังไง เพราะว่าท่านมองเห็นท่านแล้วเนี่ยอย่าว่าปู่เพในวาดมองเห็นอดีตของ พ, พระพุทธเจ้าแล้วท่านก็มองอดีตของคนคนอื่นมองดูเลี้ยงลำดับดูทุกคนพอมองดูทุกคนแล้วท่านประเมินออกมาได้ว่ากรรมคือการกระทำจาแนกสัตว์ให้แตกแตกต่างกันไม่ใช่อื่นไกลเมื่อเราทำกรรมดีกรรมดีก็จะให้ผล ถ้าเราทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็จะให้ผลแต่ละคนไม่เหมือนกันกรรมเป็นผู้จำแนกให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย แ, แตกตกต่างกันเพราะนั้นท่านมองดูแล้วคนนี้อายุเขาสั้นเพราะอะไรเพราะเขาเคยฆ่าสัตว์ในอดีตชาติเขาชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคนเนี่ยแต่คนนี้เป็นคนโง่เง่ า, งาเป็นคนไม่มีสติปัญญา เออเป็นคนปั้มปั่มป่ปปปปเบอร์เป็นเพราะอะไรคนนี้เขาชอบเขาดื่มของม่นเมามอันนี้พราพวกเราก็มองดูหมดเลยแต่ละสรรพสัตว์ทั้งหลายมันมีกรรมของแต่ละคนแต่ละเออเป็นผู้กระทาคิดไม่เหมือนกันทำไม่เหมือนกันพูดไม่เหมือนกันเพราะนั้นกรรมที่การคิดก็ดีการทำก็ดีการพูดก็ดี ไม่เหมือนกันนั่นแหละทําให้สัตว์พสัพตวทั้งหลายแตกต ก, กต่างกันแต่พระพุทธองค์ท่านบอกว่ากรรมที่น่ากลัวที่สุดคือมโนกรรมมโนกรรมคํานี้มันทําให้จิตใจตกต่ําเป็นมิจฉาทิฏฐิคือความคิดผิดความหลงผิดเนี่ยไปลึกกว่ากรรมการการะทำํำและการพูด เ, เพราะมันพูดมันคิดซะก่อนมันยังค่อยทํา มันคิดจะก่อนมันจะค่อยพยูดเพราะในเรื่องการคิดคำนี้นะ่ะจะทำยังไงจริงให้เป็นสัมมาทิฏฐิคิดไปในทางที่ถูกต้องถ้าว่าคิดไปในทางผิดนะว่ามิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดทางเห็นผิดก็คือไปทางทุกสัมมาทิฏฐิคือทางเห็นถูกนี่แหละสรรพสัพตว์ทางหลายเป็นไปด้วยกรรมกรรมคือการกระทา ด้วยกายด้วยมโนกรรมด้วยกายกรรมด้วยวจีกรรมเพราะนั้นพระพุทธองค์เมื่อได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วนะท่านจึงให้โอวาทปาติโมกข์กับภิกษุทั้งหลายในวันว่ามาฆ้บูชาที่วัดป่าเวทุกวันท่านบอกว่าอากตังทุ ก, กตังเสยโยปัชชาตะปฏิทุ ก, กตัง กรรมชั่วคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเมื่อเราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วลงไปแล้วกรรมชั่วจะตามให้ผลตนเองนั้นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลัง เ, เมื่อกรรมชั่วตามให้ผลนั่นแหละคนกแตต็แตกแต่งต่างแตกต่างกันน่นคนหนึ่งหูหนวกคนหนึ่งตาบอดคนหนึ่งบ้าใบคนหนึ่งเสร็จสวยงดงามคนหนึ่งขี้ารขี้เละมันครบเป็นได้ทั้งหมดเลย พ่อยไรเพาะกรรมจำแนกให้สับพสัตทั้งหลายแตกแต ก, กต่างกันอันนี้คือแนวแถวของพุทธะให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเอาไว้ในในเรื่องกรรมคือผลของกรรมจะได้มาพูดเรื่องเกี่ยว ก, กับการปฏิบัติเรื่องกิจภาวนาเลยพระพุทธเจ้าทัด้ตรัสอย่างนั้นแหละแต่พอถึงจวนสว่างนะ พระพุทธเจ้าได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วยตปธรรมคือศีลสมาธิปัญญาของพระองค์จนพระองค์ได้ตัดรูด้และสำเร็จเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอันนี้คือพุทธะแต่ได้มาพูดเกี่ยวกับที่หลวงพ่อได้พูดว่าหลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างไรที่หลวงพ่อได้ศึกษาแนวแถวสายหลวงปู่มั่นที่หลวงพ่อบวชมาแต่เล็กต่น้อยจนถึงปานนี้ละ ที่จะว่านำสายหลวงปู่มัน่นไม่นำสายอื่นมาบอกสากล่พราะสายอื่นก็เป็นวิชาอย่างอื่นผมพอไม่ชำนาญไม่ใช่ว่าท่านทำไม่ถูกทำไม่ดีเด่นเหมือนกับหลวงปู่มัน่นไม่ใช่เราไม่ได้ยกครูบาอาจารย์คมกันครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่เรามั่นใจว่าแนวแถวสายหลวงปู่มัน่นที่เราได้ศึกษามันคือสายหนึ่งพอกะดูก ข, ของท่านเมื่อท่าน เมลนะภาพลงไปกระดูกของท่านได้กลายเป็นพระาธาตุให้พวกเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นเกือบทุกองที่ท่านมรณภาพลงไปกระดูกของท่านได้กลายเป็นพระาธาตุเป็นเม็ดกลมคือกระดูกของพระหันอันนี้ก็คื อ, เ, อ, อเราเห็นเป็นลูกประธรรมส่วนหนึ่งแต่ส่วนน้ำานำมามประธรรมที่ท่านแนะนําสั่งสอนนั้นเป็นธรรมะที่ลึกซึง้งเป็นธรรมะที่พวกเราควรจะ ผู้ใดใยในการศึกษาใยในการเรียนรู้ใยในอยากจะประพฤติปฏิบัติหลวงพ่อเองก็มั่นใจว่าแนวแถวสายหลวงปู่มั่นที่หลวงพ่อไดศ้ศึกษามาเนี่ยหลวงพ่อเองก็มั่นใจเออเกิดรอยแหละพูดง่ายๆเออที่ว่าท่านพาประพฤติปฏิบัติท่านบอกแนวทางอย่างไรเนี่ยแหะท่านบอกอย่างที่หลวงพ่อ ที่ได้แนะนำสัไไไไไ่ได้รับคําแนะนําสั่งสอนจากครูบาอาจารย์แต่หลวงพ่อไม่ทันนะไม่ทันหลวงปู่มั่นแต่ทันหลวงปู่ล่าที่เป็นลูกศิษย์หลวงปงู่มั่นหยุดกับหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบวชอยู่กับหลวงปู่มั่นหลวงปู่แหวนครูบาอาจารย์มากหลายองค์ที่หลวงพ่อเข้าไปศึกษาที่เป็นศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่มั่นต่างองค์ก็ต่างพูดแนวแถวเดียวกันหลวงพ่อจึงมั่นใจว่า ในการแนะนําสั่งสอนหลวงปู่มั่นเป็นแนวทางที่นํามาประพฤติปฏิบัติได้หลวงปู่มั่นท่านบอกว่าก่อนที่เราจะทําสมาธิวันไหนที่เราว่างก่อนเนี่ยว่พระอย่างที่พวกเราทําวัดเย็นวันนี้แหละแต่ไม่ยาวถึงขนาดนี้ก็เถอะเรายกกระดาษหนังสือขึ้นมาแล้ยอะลาหังสวาคาโตสุปฏิปโนนาโมจัสสะพระเขาวาโตได้เพียงแค่นี้ก็พอ หรือมากกว่านี้ก็ได้นะ่จากนั้นก็แผ่เมตตาแต่เพศแผ่เมตตาอย่าลืมนะอย่างพวกเราแผ่เมตตาเมา่กินอ่างสุกิตโตโฮมิเนโตโขโฮมิแต่ไม่ต้องว่าเป็นภาษาบาลีก็ได้ว่าเป็นภาษาใจของเราให้ใ ห, ให้ได้ง่ายๆให้รู้เห็นง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆให้นึกว่าเมื่อเราทำวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ เราหังสวากขาโตสุปฏิปโนโจบเรียบร้อยกันให้ทาใจให้นิ่งๆแผ่เมตตาให้ข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นดวงใจดวงอื่นทั่วไตรโลกธาตุขอขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการ อย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกๆกดวงใจทุกๆดวงวิญญาณด้วยเท่านอันนี้คือแผลเมตตาแบบพรวปรัตแต่ออกมาจากใจจริงๆไม่ท่านมแสแซงพูดออกมาจากใจจริงข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรดวงวิญญาณของท่าน่อยมีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทำไมถึงจะให้ท่านจะให้แผลเมตตาอย่างนี้ท่านบอกว่า เพื่อเราไม่ได้ผูกอาฆาต พ, พยาบาทจองเวรไม่ได้ถือโทษโกรธเคืองกับใครๆทั้งหมดในขณะที่นั่งภาวนาให้ <c oughs> เรายินดีให้อาภัยกับทุกดวงวิญญาณในขณะที่เรานั่งภาวนาถ้าเราถือโทษโกรธเคืองเราผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรมากะเท่านั้นมันจะมีประโยชน์อะไรไเพราะนั้นอย่าอย่าไปทาอย่าไปคิดแผ่เมตตาไว้ นั่นะดีที่สุดตามแนวแถวของพุท ธ, ธะนะจากนั้นเมื่อเราแผ่เบตตาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กราบสามครั้งพุโทโธธรรมโมสังโฆนิพานังข้าไปเจ้ากราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อหวังพระนิพพานขอไม่มาเวียนไหวตายตเกิดอีกเราเวียนไหวตายตเกิดมาเกิดมาพบนิชานนี้ <c oughs> อีกสักวันหนึ่งต่อไปภายภาคหน้าชีวิตของเราก็จุดจุ ด, จ, ดจบ เกิดมาพบหน้าชาดหน้ามันก็เป็นอีกอย่างเก่านั่นเกิดแกเจ็บตายไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้เอาเถอะเข้าสู่นิพพานจะไม่มาเวียนว่าวตายเกิดอีกอันนี้ให้เรานึกอ่วานิพพานังพุทโธธรรมโมสังโฆนิพพานังขอให้เข้าไปเจ้าถึงพระนิพพานโดยด่วนนะอันนี้คือหลวงปู่คูบาอาจารย์ แ, น ะ, แนะนำสั่งสอนหลวงพ่ออยากนั้นให้นั่งสมาธิในนั่งสมาธิเนขาขวาทับขาซ้าย เหมือนกับพระพุทธรูปนะคะขวาทับขวาซ้ายเสร็จแล้วให้ปนมมือขึ้นระหว่างอกก่อนนะปะนมมือคือไหว้ครูสก่อนคือไหว้พระพุทธทเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไหว้พุทโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรม โ, โร ม, โ ม, โมโสังโฆสามจบคือไหว้พระพุทธทเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก่อนเพราะว่าการประพุทธปฏิบัตินั่งสมาธิเนี่ย เราไม่ใช่คิดได้คิดทําไม่เราไม่ใช่คิดถึงครูบาอาจารย์มาแนะนําสั่งสอนตามครูบาอาจารย์องค์นั้นนั้นไม่ใช่ครูบาอาจารย์องค์นั้นนก็นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพนั้นนะ่ะนำมาแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวให้กับพวกเราเพราะฉะนั้นเราจึงไหว้ป๋อหลงมะครูซะก่อนคือพุทโธก็คือพระพุทธเจ้า ธรมโมคือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าสังโคก็คือพระสงฆ์สาวกที่นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าออกมาบอกกล่าวให้กับพวกเราพวกเราจึงรู้ในหลักธรรมคําสอนของพุทธเพราะนั้นข้าพเจ้าขอกราบนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยว่ากราบพุทโทธธรรมโมสังโคสามจบจากนั้นเอามือลงพ อ, อมือลงเสร็จแล้วให้กําหนดลมหายใจเข้า หายใจเข้าบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโธหรือจะบนไม่บริกรรมก็ได้อย่างพระพุทธเจ้ามีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้ามีสติสัมปะชัญญาในลหใ ม, มญญานลหายใจออกอันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเบื้องตน้นแต่หลวงปู่มั่นท่านว่าถ้าหากว่ากําหนดแต่ลมหายใจเข้าออกเฉยๆมันหลุดได้ง่าย มันเผลอได้ง่ายมันหลงลืมได้ง่ายมันหลงส้นหลงเงินได้ง่ายมันเผลอได้ง่ายเพราะฉะนั้นควรจะสำทับกับพุทโธเข้าอีกนะหายใจเข้าบริกรรมพุทธหายใจออกบริกรรมโทพุทโธพุทธโธอันนี้คือหลงปู่มั่นท่านแนะนำสั่งสอนถ้ามันยังเผลอไผลไปทางอื้อจูให้บริกรรมทีๆพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธ เอาตัวรู้สึกนึกเค็ดน่ะบริกรรมพุทธโธให้ถี่ยิบอย่าให้มันเผือไปที่อื่นอันนี้ก็ท่านก็สอนแต่หลวงพ่อก็บอกว่าบางองค์ท่านก็บอกว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโธแล้วก็เราเรียงอีกก็ได้ครั้งที่สองหายใจเข้าทำรรหายใจออกโมหายใจเข้าสังหายใจออกโคเนี่ยมันเป็นสองคาด้วยกัน ทีแรกก็หายใจเข้าพุทธโธทำโมสังโคพุทธโธทำโมสังโคหายใจเข้าแปลว่าอหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธหายใจเข้าทำหายใจออกโมหายใจเข้าสังหายหายออกหาย ใ, ใจออกโคอย่างนี้ก็ได้ หรือว่าเราจะนับก็ได้หายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเน่านับสมหายใจออกนับสี่นับห้านับหไปถึงร้อถ้ามันเผลอตรงไหนอย่าไปนับต่อให้กลับมานับหนึ่งใหม่เราจะเรียรู้ว่ามันเผลอมันเผลอยังไงในขณะที่มันเผลอแล้วก็นับไปอีก ทำไมจึงเรียกว่ามันเผลอหายใจเข้านับหนึ่งเป็นเลขขี้หายใจออกเป็นเลขคู่สองหายใจเข้าเป็นเลขขี้สาหายใจออกเป็นเลขคู่สี่ขี้คู่คี้คู่ขี้คู่ถ้ามันไม่เผลอไปถึงร้อยกลับมานับหนึ่งใหม่อีกเอาสัก3ามสี่ห้าหเที่ยวสิบเที่ยวนะแล้วยังค่อยบริกรรมพุโทโธต่อเอาพุโทโธอย่างเดียวเนละ ใหม่ๆมันเผื่อมันเผื อ, เผอช่วงไหนอย่างไรถ้ามันเผือเราตั้งสติให้เข้มแข็งอีกพยายามนับให้ได้แต่จะไปแต่งลมนะฝูดฟาดฟูดฟาดไปเ อ, เอามีแต่ว่าสติให้มีสติรู้ว่าลมให้หายใจเข้าหนึ่งหายใจออกสองแต่มันมีเผลอนะศรัทธา ญ, ญาติโยมน่ะบอกได้เลยถ้าว่ามันเผื่อบ่อยๆนับไปถึงสิบก็เผอเอนับไปถึงยี่บกเผือเผือเอาเผื อ, เ อ, เ, อเอามันไม่เป็นผลดีนะ เป็นอัลไซเมอร์ได้ไง่ายๆเหมือนกันนะโตต่อไปปัป๊มเปเ อ, อร์เอะนี่เพราะอะไรพอมันขาดสตินะเพราะฉะนั้นอย่าให้อย่าให้มันเผลอนะบังคับให้นับหึงจนถึงร้อยถ้านับหนึ่งถึงร้อยได้เออสติของเราดีนาทีกว่ากว่าไม่เผลอไปที่ไหนในหลายวิธีการภาวนาจากนั้นเมื่อเราภาวนาจิตใจของเราอไม่เผลอนิ่ง จิตใจสงบคนที่ใจิตใจสงบเยือกเย็นเราคิดอ่านเรื่องอะไรก็เป็นชิ้นเป็นอัน เ, อเพราะอะไรเพราะเรามีสติมีคนที่มีสติอยู่กับตนเองนะแต่ถ้าว่าเราเผลอหน้าเผลอหลังเผลอไผไปเรื่อยกำหนดลมก็ยังไม่อยู่กับตัวปล่อยเออละเหยไปเรื่อยอันนั้นไม่น่าไว้ใจน ะ, เ, ะเผอเผลอเป็นบ้าบ้องบ่ เป็นป้าบ้า บ, าบาไไาอได้ไง่ายๆปั๊มๆเปอร์ๆได้ง่ายๆเพราะอะไรเพราะมันขาดสติไนงะการฝึกสติเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญไม่มีใครฝึกให้เรานะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงสามีภรรยาฝึกให้ใครฝึกให้คนอื่นไม่ได้นะนอกจากฝึกให้ตนเองหลวงพ่อก็มีแต่แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวเทนะ่าหลวงพ่อจะไปฝึกสติให้คนอื่นอทําแทนคนอื่นไม่ได้อมีแต่บอกนะทําอย่างนี้นะตนเอง เพราะฉนั้นต่างคนก็ต่างทำเหมือนกับเราทานอาหารเนี่ยทานอาหารน่ยเอ้าเอาเธอเธอกินไม่ได้ข้าจะกินแทนเรากินแทนกรอิ่มท้องของเราคนไม่ได้กินมันกระหิวอย่างเก่าเอาเธอคนเธอเนี่ยจำไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้ไม่เก่งเอาข้าจะเรียนแทนเราเรียนเราก็ได้ความรู้เราคนที่ไม่เรียนเขาไม่ได้ความรู้อีกอย่างเก่านี่ก็เหมือนกันลักษณะอย่างนั้นล่ะในวิธีการปฏิบัติแทนกันไม่ได้นะจุดนี้นะของใครของเรา เพราะนั้นต่างคนก็ต่างฝึกฝึกฝนของไรของใครของเรามันจึงจะมันจึงจะได้จากนั้นเมื่อจิตใจของเราครอบคสู่ความสงบนั่นแหละจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้ น, น, นจิตเป็นหนึ่งจิตสงบนิ่งอย่างที่พระพุทธเจ้าเที่ว่าปุเพนิวาสานุสติยานพอจิตรวมสงบเพราะนั้นละ่ะรู้ได้ด้วยตนเองเทไงตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญไม่ต้องถามใครลเลยเทไง เมื่อพอจิตใจสงบรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วนะากายก็เป็นอันหนึ่งใจก็เป็นอันหนึ่งร่างกายเนี่ยเหมือนขับรถหลวงพ่อเปรียบเทียบให้ฟังเล ย, เยจิตใจเหมือนกับคนขับรถรถกับคนขับรถรถจะไปได้ต้องอาศัยคนขับในเมื่อรถหมดอายุการใช้งานของมัน โซเฟอร์จะไปหานั่งอยู่ในรถก็ไม่ได้ตัวเฟอร์ก็ต้องออกจากรถรถคันนี้จะทิ้งไว้ก็ไมด้มันเหม็นก็ต้องเอาไปเผาไฟทิ้งเอาไปฝังดินทิ้งนี่แหละแต่ดวงวิญญาณคือดวงใจตรงนั้นออกจากร่างไม่สูนนะตายแล้วเกิดอีกเนี่ยไปปฏิสนที่ไปเกิดในภพภูมิต่างๆพอไปสร้างบ้านไปซื้ อ, อรถไปซื้อรถคันใหม่มาอีกเกิดขาอีกปอดสุหมดสภาพอีก นี่แหละหลวงปู่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นนะว่าใจาดวงนี้เป็นนักท่องเที่ยวตัวยงไปไปรู้กี่พบกี่ชาติไม่รู้ไปตดที่ไหนตดที่ไหนเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะศึกษาในวิชาความรู้จุดนี้อย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นว่าเป็นวิชาของพุทธพระองค์สอนว่าใบไม้ในกํามือ น, นี่นแหละที่ท่านแนะนําสั่งสอพราะนั้นพวกเราให้ศึกษา ศึกษาในแนวแถวของพุทธพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวแล้วก็ตายแล้วเป็นศูน์แล้วกรรมดีกรรมชั่วจะเข้ามาสู่ดวงวิญญาณเข้ามาสู่ใจดวงนั้นละเท่นีถ้าเราทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็เข้ามาเป็นเพื่อนสอง เ, ออเป็นเพื่อนสองของเราพาไปตกนรกไปเกิดเป็นสัติรชานไปในที่ต่างๆไปตกต่าไปเรื่อย เป็นคนบ้าใบเสียจิตหูหนวกตาบอดเป็นได้ทั้งนั้นเพราะอไเพราะกรรมชั่วพาไปแต่ถ้าว่าพวกเราทำกรรมดีกรรมดีพาไปจะมีแต่ความสุขความเจริญเพราะเหตุไดเพราะเราสร้างผลสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจเพราะนั้นดีรู้ไหมดีชั่วรู้ไหมชั่วนะดีก็คือเนี่ยมีสิทธา่าอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวหรือว่าผู้ได้ที่ถึงัะไม่ขาด ถึงจะไม่รักษาสีนไม่รักษาสินแต่เราไม่ได้ทําผิดน ะ, เ, ะเมื่อเราไม่ทําผิดก็เป็นศินห้าโดยอัตโนมัติอยู่แล้วน ะ, เ, ะเราไม่ต้องสมาทานหรอกเพียงแต่เรารักษากายวาจาของเราให้เรียบร้อยเท่านั้นแ่ะมันก็เป็นศินแล้วอไม่จ้องสมาทานก็ได้เป็นสินอยู่แล้วถึงจะมาสมาทานก็เถอะว่าตามหลังพระไปแม่แบบผลนี่สุดเห็นหมดเห็นยุ่งเห็นอนะไรกัดบดบี้ฆ่าไปเรื่อย เอออันนั้นกัมันก็ไม่เป็นศีลอีกเหมือนกันแต่ถ้าเรารักษาอยู่แล้วนะถึงจะไม่เกา่าวไม่อะไรมันก็เป็นศีลเป็นคนดีในจิตในใจของพวกเราเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราเชื่อในตนเองเชื่อในกรรมเชื่อในผลของกรรมกรรมคือการกระทําเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะเอาต่อเ น, นี้ไปหลวงพ่อจะไม่พูดอะไรยาวแล้วก็จะ พานั่งสมาธิจากชั่วระยะหนึ่งเอาดับไฟซะก่อนก็ได้นะนั่งกัดสมาธินะพอนั่งสมาธิแล้วก็ปันนมมือขึ้นระหว่างอ ก, กซะก่อนว่ายครูอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวจากนั้นใครจะเอาก ร, รมะถันไหนที่หลวงพ่อได้พูดได้แนะนำํำพุโทโธก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็ได้ทำโมก็ได้สังโโคก็ได้พุโทโธพุโทโธก็ได้นับหนึ่งนับสองก็ได้ ทดลองดู่สิในวันนี้นะเอาตอนนี้ไปหลวงพ่อจะหยุดพูดแล้วนะตอนนี้